เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาพ่อแม่ท่านนับถือพุทธศาสนามา้จนเรียกได้ว่าเกิดกับพุทธศาสนาหากว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นประจําไม่ได้ไปที่ อ, อื่นซึ่งเขาม่นับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรแปลกหูแปลกตาแต่ถ้าเราออกจากเมืองพุทธศาสนาไปที่ อ, อื่นแล้วเราจะรู้สึกปแปลกหูแปลกตา เพราะอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยนมันก็ไม่ผิดอะไรกักบสัตว์อาจึะเห็นได้ว่าศาสนาเป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและวิทยาความประพฤติมารยาตการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเห็นวัฒนธรรมไทยเรานี้บ็ออกมาจากเพื่อศาสนามารยาตของคนไทยจึงรู้สึกว่า เอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมารยาทที่นิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จักบุญจับคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ต้องยึสืบงมเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี่เด่นในขนบธรรมเนียมเพราะออกมาจากพ้วยศาสนาแต่ก่อนเด็กๆ ก, ก็เกิดกับวดัดคุ่นง่ายๆวางั้นเลย คือมาโตกับวดัดเกิดในบ้านแต่มาโตกับวัดก็เหมือนกับว่าเป็นลูกของพระงั้เจ้านายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลำดับลำดาๆๆส่วนมากเขาเป็นลูกพระมาลียามายาติที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกศิษย์พระลูกก็เป็นลูกพระงั้นต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระเขาไปค้าข้าวกนันก็เป็นชาวพุทธขึ้นมาอย่างดีด หรือเป็นรูปของพุทธอิยาการที่แสดงออกทงหน่าดูน่าชมนั้นต่อมาจคนค่อยเหวนห่างจากวัดจากวาเข้าไปโดยลาดับลำดับกิริยาการค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสิ่งสถานที่ต่างๆที่นอกจากมางทยไปแล้วมันก็แปลกหูแปลกตาไปเลยก็ยึดออกมา ครับเข้ากันบางอย่างก็่าเป็นค่าสึกต่อตัวเองโดยที่เจ้าตัวเข้าใจว่าเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าสึกต่อของดั่งเดิมตนอย่างนั้นก็มีอย่างทุกวันนี้มันค้าเข้าไปหมดนี่คำว่าพุทธแทบจะไม่ปรากฏแล้วเม้แต่ภายในวัดเพความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจที่เปลี่ยนแปลงก็เพราะอำนาจของก่เลส จะมีความอยากรู้อยากเห็นอยกเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆาหูสมูกทื้งกายมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นๆเพราะความต้องการอยู่แล้วยิ่งติดยิ่งพันนง่ายซึมซาบเขยิบได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นซึมซาบเข้าถึงใจการแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจนล้วมันก็เลื้อยไปเลือยไป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 สมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ก็รบล้างความรู้สึกหรืความเห็นทันี้มีจำนวนมากเขาก็มีอำนาจมากก็รบล้างไปโดยลําดับศาสนาทั้งนี้พระมหากษัตริย์ไม่มีนี่ถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญประชาชนออกมาจากไหนถ้าไม่แม่วะออกมาจากพ่อจากแม่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 ถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสำคัญนั่นมันย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่าประชาชนเป็นสําคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเห็นทางการเห็นพ่อแม่เป็นสําคัญเห็นศาสนาเครื่องดับแรงกายวายใจให้เป็นของดีของประเกิฐขึ้นเดยระดับนี้ว่าเป็นของสําคัญศาสตร์เขาก็มีหัวหน้านี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ำลงไปเรื่อยๆ ถือว่าสิ่งที่ทำต่ำนะว่าเป็นของดีของประโยชน์ยิ่งกว่าสิ่งที่ดีเลยหลักธรรมชาติมันเสียผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนยุ่งไปหมดรู้ที่อย่างโดดมานี่จากเวียงจันทร์ข้ามมาเมืองไทยเรานี่วันหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชนเมื่อเพื่อประชาชนประชาชนโดดหนีทำไมถ้าประชาชนไม่โดดร้อนจนแทบจะอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่ไปก็จะตายประชาชนต้องโดดนี้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 ให้มีสิตเสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภัยจงกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่าศาสานาธรรมนะดูดิแล้วเมื่อศาสนาไม่มีความสำคัญแล้วอะไรจะสำคัญในโลกนี้เพราะศ า, าสนาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทาลายอี่เลยใครจะให้สิเสมอภาคให้ ความสม่ำเสมอเห็นความสําคัญของการกันยิ่งกว่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสําคัญเพียงเท่านั้นแล้วทําลายประชาชนโด้หาที่หลบซ่อนตัวไม่ได้ข่าทิดหน้าทิ้หายไปเลยโดยมีความเมตตาปานีอะไรเลยนี่เหลือประชาชนสำคัญอย่างนี้เหลือสําคัญในทางตายเท่านั้นดีแต่สำคัญในความร่มเย็นเป็นสุดนี่ เ, เรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ผิดกับเรื่องของทรร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 หนึ่งไม่ขัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้ะมาตาปิตูปัททานังบุตรดาและสังกหโโหให้อวธรรมบัติบุลญาบิาบดาบัรดาผู้บังเกิดกล้าของตนไม่มีความไม่เงินเป็นถูกย้เกิดความกระทบกระเทือนั้นใดที่เป็นการถกช้มพันจิตใจแล้วการส ง, สงการสงฆ์ข้อปรรยาบุตร ปุตตะดารัสสังกะโหในความสงฆ์บุตรปัญญ า, า, าหลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้อศา ส, สนาไม่เป็นของสําคัญแนละ้วมันก็หมดความหมายแลย้วมันรู้เตากลัวจะไปเจ้าแย่งเอาหางเข้ามาใส่อย่สิแล้วสุ น, นัขก็จะเดือดร้อนอ่าไปแย่งหางมันมันก็หวง่ีิไปแย่งหางมัเดี๋ยวมันกัดออแล้วหางสุ น, นัขมันทํา กัดตัวเองก็จะได้ฆ่าสุนัขอีกไงให้ได้เกิดค่าสุดขึ้นไปจนกระทั่งสุนัขไม่เดือดร้อนตั้งแต่ตันนี้ตลอดสุนัขก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางมันจะไม่มีมตนจะไปแย่งหางเข้ามาเพราะจะเป็นแบบเขาก็เป็นไมาได้ตัวไม่มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาที่หางเขาก็ชสียดายเขาหัวหง่วงกัดมาบ้างพอกัดพอวิ่งหนีเก็วิ่งหนีตัวลงก็โกรธหรือเครียดแั้น่ะเขาก็ตามฆ่าสุนัขเลย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 ปมญหากษตริย์เป็นของกํามพันยังไงบ้างย้อนเข้ามาภายในจิตใจของเราศาสนาอยู่ท <kilograms> ี่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ทุกวันนี้ใครจะเป็นผู้รู้เรื่องของศาสนาใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตามศาสนาใครจะเป็นผู้รับผลที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติศาสนาสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตัวของเราแล้วศาสนาได้สอนคนให้มีความร่วมโมชิดหายอะไรบ้างสอนให้ได้วความสุขความเจริญอะไรบ้างก็ไม่ไ ม, ไมีมีแต่ส่งเสริมรักษาเ้วยถ่ยเดียวคือรักษาตัวเรานั่นแหละผู้ที่รู้ศาสนาก็คือใจ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 ตามกําลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราแต่พออย่างยิ่งการอารมทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแย่แสนงอนเป็นตัวพลิกตัวภัยเพราะกิเลสยุแย่ก่อควรอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบกับกิเลส ก, กับรักที่ทุกวันนี้มันก็เหมือนกันนี่เองยุแหย่ก่อควรนแตกให้ทำลายให้เล้าให้อะไรกันไปอย่างนี้จิตมันก็เป็นอย่างนั้น เอาเรื่องนั้นมายุเอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิล้นทางไหนก็ตามมายุแย่กว่าควรขงนี่ริงไม่จริงไม่สําคัญขอให้ยุได้แย่เราก็เป็นคนหูเบานี่จิตของเราเนี่ยเรเป็นคนหูเบาเชื่อเขาไปเรื่อยๆเดือดร้อนหมาทนายก็ไม่มาคำนึงไม่บวกไม่ลบดูผลที่เกิดขึ้นจากการยูแย่เขาพอจะได้เห็นโทษของความดูแย่นั้นบ้างมันไม่ยอมเห็นน ร้อนตังเขาไปร้อนต่างเข้าไ ป, ร, าาไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบหรอร้อนเพราะเหตุอะไรนี่อย่างมากก็บ่นมันก็มั่งหรือามากกว่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรเท่านั้นในสิงนี้ถ้าไม่คน้นดูสาเหตุในสิ่งที่มันทาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องรู้ใหญ่ครอบครออยู่เวลา น, น, นี้นอกจากตัวสําคัญที่แทรกอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นเจ้าอํานาจบังคับหวัวใจอยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไร การปฏิบัติธรรมจรึงเป็นยาสำคัญที่จะเข้าต้านทานกับพิษภัยซึ่งเป็นโรคสำคัญอันนั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลำดับโดยลำดับแต่เมื่อสิ่งที่เป็นภัยค่อยจืดจางหายไปโดยลำดับก็ยอมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไร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 ก่อไฟอืเป็นเตารีดเตาถ่ยตัวเองใช่ไเตารีดก็อยู่ที่นั่นเตาถ่ายก็อยู่ที่เตาไฟนั้นเพราะไฟที่เหลือกัญหาอาสวะมันเผาร่นจิตใจอยู่ตลอดเวลาสถานที่นั่นเลยเป็นกองเพิงไปทั้งกองอืมไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อได้รับการอบรม เข้าโดยลำดับมีกิตะภาวนาเป็นสาคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลำดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งตปปฏิทมเป็นเครื่องแผดเผาใจที่เคยเดือดร้อนที่เคยวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนกังหันก็ค่อยหยุดความหมุนติ้วๆนั้นนิ่งเหมือนไม่มีลมอะไรมาต้องมาสัมผัส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 ต่อยให้จิตคิดไปหาสิ่งที่จะก่อบวนตนเองหรือมาเผาหล่นตนเองจิตเมื่อไม่มีภัยเข้ามารบกวนก็ย่อมย่างเข้าสู่ความสงบเย็นสบายนี่เห็นความสำคัญของตัวขึ้นมาแล้วศรัทธาความเชื่อต่อผลที่ปรากฏนี้ย่อมกลายขึ้นมาเป็นอัจฉรศรัทธาทันทีทันใด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 เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความต้าคการมั่นหมายามรูปคํามคเพราะความไม่แน่ใจเพราะความสงสัยเพราะความส่อแสวงโดยความเื่อสาของเราแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์นั้นก็ปล่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลักยึดอันดีแล้วทีนี้เรากับโลกเรากับสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นคนละอย่างเข้ามาแล้วทีนี้ไม่ค้าเท้ากัานไปเสียหมดจนกลายเป็นไฟทั้งกองภ า, ายในหัวใจ มือจิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็สบายนั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบนุ่มเย็นภายจิตเดินอยู่ก็เย็นมีความรุ่นเริงบันทึงในธรรมโดยไม่มีความโศกเศร้าหมองหม้อยเข้ามาแทรกเหมือนอย่างความเพลิดเพลินอย่างอื่นนั่งอยู่ก็ภาวนารุ่นเริงบันทึงแต่กับอัดกับธรรมคือความสงบเย็นใจพิจารณาอะไรก็เป็นอัดเป็นธรรม เห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็นชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดประจักษ์ใจย่อมมีทางเลือกเฟ้นได้ด้วยอำนาจของกติปัญญาของตนเพราะความสงบเบียดใจนั้นเป็นฐานสำคัญอันหนึ่งหรือเป็นสักขิพยานให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วแต่พอย่างยิ่งจิตเป็นของสำคัญนะ พยายามปัดเต่าพยายามแก้ไขพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาขั้นโดยลําดับําัีกเรียนเรื่องของตัวเองตนกระทั่งรู้เรื่องของตัวเองโดยลําดับลำดับรู้เรื่ององตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกัน ใจก็ยิ่งมีความสงาาผ่าเผยกาหนดเข้าภานายจิตใจนี่มันสว่างโล่งเลยว่าเบากับเบาเหมือนระหว่าเบาไปทั้งทั้งร่างกายความจริงก็คือจิตนั่นแหละเป็นผู้พาให้เบาไม่หนักอึ้งเหมือนภูเขาดังที่เคยเป็นมาอยู่ที่ไหนก็รื่นเร่งบันถึงบันคืนปีเดือนผ่านไปก็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 อยู่ไหนก็เหมือนว่าสูงล่ะที่นี่นั่งอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยราวกับว่าปรอยู่หมุนอวกาศนันที่นี่เพราะจิตมันสูงจิตมันแปลกประหลาดจิตมันอศัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิตที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเปลี่ยนของตอนหรือที่ไหนก็สง่าผ่าเผยดูสินี่คือผลเห็นเห็นประจักษ์พันธกิจ ปัญญาพิจารนณาคือโดยลําดับในสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสสัมพันธสแต่าทางตาทางหูทางจามูกทางยิ้นทางกายแก้ไขถอดถอนนอกเป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลําดับขาดไปโดยลําดับลำดับผมสุดท้ายกา yeah ่อนแยกบูบเสียงกลิ่นลเครืงสัมผัส เ, yeah เ, yeah เ, เขาแยกออกเขาได้จากกันได้ เวทนาสัญญาทั้งฐานมิจฉาก็แยกจากกันได้ด้วยปัญญาจิต ก, กิเลสที่เคยฝังจมกันอยู่ก็แยกกันออกได้ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือจะแยกเหมือนมีอะไรเหลือที่จะแยกแล้วกับเป็นยอดแห่งจิตยอดแห่งธรรมแสนสบายอี่ศาสนธรรมเป็นยังไงบ้างเราพิจารณา เพราะอํน า, านาจแห่งศาสนาธรรมเนี่ยเป็นเข็มทิศทางเดินให้ก้าเข้ามาสู่ธรรมปฏิทิศคือความสว่างสวัยอันมุยสุขุดผ่องพานกิจใจซึ่งแต่ก่อนเคยถูกปิดบังอยู่ด้วยมูลสดมูลแห้งเป็นไปนหมดกิเลสเก่ากิเลสใหม่นั่นแหละอย่ามูลสดมูลแห้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ซึ่งเป็นกิเลสด้วยกันทับถับมันจนมองหาใจไม่เห็น มันกลายเป็นใจมันมีคุณค่าเห็นอย่างนั้นจห็นี่ว่าเป็นคุณค่าไวสมมติหลงโลกโลงงฌานโลงจนเป็นบ้าทั้งสดทั้งร้อนอ ม, มันมีเต็มแผ่นดินเวลานี้เราจะไปว่าอะไรตั้งแต่ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพรยามันเป็นบ้าใ น, นตู้แห่งตู้หอนโลกมันร้อนก็ร้อ น, อนเพราะเรื่องบ้าของมนุษย์นั่นเองออมันไม่ยอมเดินไปในแถวทางที่สมควนกับคําที่ว่ามนุษย์ฉละ แต่มันกลับเดินไปด้วยอำนาจทางที่เลตสันหาวิชาปิดมืดมิ ด, มดปิดตายาไม่รู้เหตุรู้ผลเอาตั้งแต่อำนาจวสาสนาของตนเองเขาไปกดขีบ่บังคับโลกทั้งโลกมันร้อนไปหมดคนไม่รู้ภาษีภาษาก็ร้อนไปหมดเพราะความร้อนของใจของคนคนนั้นเพราะความมืดของใจของคนคนนั้นที่เข้าใจว่าตนเฉลียวฉลาดอำนาจมากเลยมันม้ร้อนไปหมดเนี่ยน่ากลัดูนี่นยความรู้ความเห็น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 นีพูดถึงหนึ่งบ้าเราจะเข้าใจว่ามันมีตั้งแต่อยู่ตามถนนทั้งทางเธอโง่เงินอยู่ตามถนนทางแล้วอยู่ตามโรงพยาบาลมีสมเด็จพระยาถึงต้นมันมีอยู่ทุกแห่งทุกโหน้่ะและบ้าชนิดนี้เป็นบ้าที่ก่อควรทําความเดือดร้อนให้โลกได้มากมายไก่ฟองด้วยบ้าที่ไม่เข้าไปอยู่ในเตียงนี่บ้าเพริญพันบ้าอํานาจบ้าศาสนาบ้าความรู้วิชาลโลกมันร้อนเพราะบ้าประเภทนี้ บ้ามองดูเหตุดูผลบ้าความอยากอยากอยากโตอยากของโลกความสงสารทั้งตั้ง ต, งดตงิดป่าช้าก็ปิดกับตัวก็ไม่มองดูบ้าลืมตายมีทําให้โลกมันร้อนถ้าเด็กพิจนาวความตายละวันนสักสองหนเท่านั้นก็นพอจะมีเบรคห้ามล้อบ้าง้นโลกก็จะได้เย็นตัวเองก็จะได้มีเย็นบ้าง <c oughs> นี่พวกเราพูด ประพฤติปฏิบัตินั้นถึงควรให้มีทั้งขันเร่งคือเร่งต่อความภาคเกียนเพื่อใจสังสมคุณงามความดีให้มากมูนขึ้นโดยลำหนักหมุนพงวงมาลัยไปตามจันทิศทางเดินแห่งธรรมที่ท่านทรงส่งสอนไว้บเบรกหรือยับยั้งในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีะร่ะวางเลยดำเนินไปด้วยความปลอดภยัย ก็ร้ายทุกข์ความสุขก็อยู่กับความปลอดภัยนั่นแหละนาใจความสุขจะอยู่กับภัยความปลอดภัยร้าทุกข์แล้วก็เป็นความสุขใครเป็นผู้รับความทุกข์นอกจากใจเป็นตัวสําคัญตอนนั้นไม่มีอะไรใจรู้ทุกข์แก้ทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจทั้งสาเหตุที่เกิดให้เกิดทุกข์ก็แก้ออกหมดหรือแต่ทำรุนแรงภายในจิตใจ นั่นแหละท่านอยู่โลกเย็นเย็นตรงนั้นเย็นขี้บุคคลผู้นั้นสงกสุกเย็นไปไหนก็สบายสบายตายก็ไม่ต้องมาห่วงมายายกับซากกับศพไม่ต้องเก็บไม่ต้องเผาจะเก็บไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนตายแล้วใครใครจะมาทํางานทําศพให้เราดีๆทำมาดีด้วยอะไรคนตาย ทำให้ ม, มันดีในขนาดที่เป็นอย่างนี้นียมันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขมันจนดีอันนี้ดีแล้วไม่สําคัญอะไรร่างกายเป็นของทิ้งแล้วมันถึงตายมันรับภาระไม่ไหวแล้วถึงได้ทิ้งถึงสลัดทิ้งกันลงไปแล้วยังจะไปห่วงไปใ ย, ยอะไรกับกระดูกทราบผีตายนั่นเองยังไม่เห็นโทษของมันหรือขนาดเน่าเสีไปแล้วยังไม่เห็นโทษของมันหรือมันทุกข์จนถึงที่สุดแล้วกันไปตายจนเน่าเสียไปถึงแต่ห่วงอะไรมันอีก ห่วงตัวจิตนี้ที่จะหาเกาะพกเกาะธาตุหาจับจองป่าช้านห่วงตัวนี้สร้างกุศลาธรรมมาลงที่ตรงนี้ให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับกลมายาของเกติอาสวะอห็นเหตุเห็นผลกับตัวเองโดยลําดับนั่นแหละเชื่อผู้สร้างตนโดยสมบูรณ์หรือสร้างตนโดยถูกต้องเจนถึงขั้นอันสมบูรณ์เต็มที่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 จิ่รู้ิเรียนรู้ทุกสิ่ทุกอย่างจิตพอตัวถึงมังพอแล้วก็สบายหายรู้เอยียบก่ อ, องวรตนนั้นละเอวัง